นะโมตัสสะพัคาวโตอะระหะโตสมมาสมบุตตสสะนะโมตัสสะพัควโตอะระหะโตสมมาสมุตตสสะนะโมตัสสะพควโตอะระหะโตสมมาสมพุทตสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพลังนั้นตะสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลาจากกิเลสตัดสู้ชอบด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเศียรและกกล้าขอจเจริญพรมายังญาติโยมผู้ที่ ยังอยู่ในวัฏจัรสงสารเวียนว่ายใจเกิดอยู่นะทุกคนทุกท่าน <c oughs> วันนี้จะพูดเรื่องทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานดีไหมล่ะทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพาน มีทางเดียวเท่านั้นนะเอกมัคโคคือมัคมัคคือทางนั้นเอกที่บุคคลไต่เต้าเข้าสู่พระนิพพานถ้าเป็นโยมก็มีทางศีลภาวนาถ้าเป็นพระก็มีศีลสมาธิปัญญานเนี่ยมีทางเดียวนี่ไม่มีทางอื่นอีก <c oughs> อทาง ทางโยมก็ทานศีลภาวนาศีลทานศีลภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยมันก็ไปแยกออกเป็นสมถะและวิปัสสนา <c oughs> มันก็ไปเท่ากันกับพระนั่นนะศีลสมาธิปัญญานะรวมกันเข้าก็เป็นอันเดียวกันนั่นแนะ แต่พระนี่อ่าทานไปแล้วไม่มีไม่ได้ทานอื่นอันอื่นอีกเหมือนกับพวกเราพวกเรายังมีทรัพย์สมบัติยังมีอันนั้นอันนี้ได้ไปทานอีกนะส่วนพระนี่ทานแล้วทานลูกทานเมียทานทรัพย์สมบัติทานสิ่งของออกหมด ไปแต่ตัวไม่มีสมบัติส่วนยมยังมีสมบัติอยู่ยังมีทานมีศีลสมามีทานมีศีลสมาธิปัญญาสี่อันนี่แหละนะพูดเรื่องทานให้ฟังก่อน <c oughs> ทานมันก็มีหลายอย่างทานก็มีทาด ทานเคยได้ยินไหมล่ะถาตทานสหายทานอธิบดีทานถาตทานก็ทานของเศษของเหลือ <c oughs> เหมือนกับโยนข้าวเศษข้าวเหลือให้หมูให้หมาให้ถาตให้คนใช้ของเศษของเหลือของกินดีๆก็เอาไว้เจ้าของ <c oughs> ใช่ไหม นี่เขาเรียกว่าธาตุทานทานของเสกของเหลือสังกะสีเก่าบ้านเก่าของเก่าเราไม่ชอบใจไม่ถูกใจโรกรักโลกลุงลังอยู่ในบริเวณบ้านก็เก็บไปทิ้งวัดเสียลูกหลานคนที่เป็นบ้าเป็นใบพูดยากว่า น, นอนสอนอยากก็เอาไปทานให้พระไปฝากไว้กับพระเสียนเป็นอย่างนั้นธาตุทาน เข้าใหญ่้ยมล่ะอะของเก่าเสื้อผ้าเก่าอะไรเก่าตู้เก่าอะไรที่มันไม่ถูกใจเราก็เอาไปให้วัดซะเขาเรียกว่าทาตทานก็ได้บุญเหมือนกันทีนี่สหายสหายแปลว่าเสมอกันทานของที่เสมอกันกับที่เราบริโภคใช้สอยอยู่ เรียกว่าสักหายทานอาทิบดีทานทานของใหญ่ของสูงซื้อดินทานถวายวัดอย่างเงี้ยสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปของกินดีๆอาหารดีๆนั่นแหละที่ดีกว่าเราเบริโภคอย่างข้าวก็ข้าวใหม่ๆหม อะไรอาหารก็อาหารใหม่ๆไม่ใช่ของที่เรารับแล้วชิมแล้วอันนั้นเป็นธาตุนะการทานอาหารต้องระวังให้ดีอาหารเศษเอามือไปจับไปแตะไปต้องหรือเอาช้อนตักมาชิมแล้วเอาไปคนลงใส่หม้อใหก เขาเรียกว่าของเศษใช่ไหมน้ำลายน้ำอะไรเรามันออกไปถูกช้อนถุง ก, ก็ละลายไปในหม้อแกงหม้อข้าวก็เป็นของเศษของเหลือข้าวที่เขาหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องเอาข้าวกล่นหวดข้าวหงุงข้าวสวยก็เหมือนกันข้าวใหม่ๆนี่ต้องเข้าใจการทานนะเซื้อดินสร้างวัด ก็มีอ น, นิสงส์สร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์สร้างวิหารมีอ น, นิสงฆ์หลายนี่เขาเรียกว่าอาธิบดีทานทานที่สูงกว่าเราบริโภคชาสอยอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่เห็นไหมนี่สังเวชนีสี่ตำบลสร้างอย่างนี้ก็อ น, นิสงฆ์หลายคนต่อไปาศาสนาพุทธ จะเสือเส่อมลงเสื่อมลงเนื่องจากศาสนาอื่นก็แซงขึ้นมาแซงขึ้นมาเพราะศาสานาพุทธไม่ได้บังคับกันเอาด้วยศรัทธาเอาด้วย ส, ธธวยส ม, มัครใจไม่ได้บังคับกันเหมือนศาสนาอื่นไม่มีกฎระเบียบว่าต้องทำเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเขาคอยเป็นคอยไปใครมี ศรัทธาก็ไปศาสนาพุทาธศาสนาที่เขาบังคับกันถ้าไปอยู่ศาสนานี้จะได้อันนั้นอันนี้ให้อ น, นั้นอันนี้ไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ให้คุ้มกําเนิดไม่ให้อะไรเหมือนอย่างทุกวันนี้แหละมันก็ขยายออกไปเรื่อยๆที่ต่างประเทศก็เหมือนกันนี่แหละนี่ศาสนาพุทธก็ ค่อยหดลงหดลงต่อไปอุปชาอาจารย์จะบวชพระก็ไม่มีแล้วร้อยวันพันปีต่อไปจึงสร้างอันนี้ขึ้นมาแทนใครอยากไปบวชไม่มีอุปชาก็ไปบวชที่นี่ได้สังเวชนีสีตำบนเป็นที่ปงสลดสังเวชและลึกถึงพระพุทธเจา้านั่นละ นี่คืออธิบดีทานทานก็มีหลายยัง่าเหมือนกันนะก่อนให้ขณะให้ให้ไปแล้วก่อนให้ก็ต้องมีศรัทธาเต็มเลื่อมใสว่าให้แล้วต้องได้บุญได้กุศลต้องขณะให้ก็มีศรัทธาอยู่ ให้ไปแล้วไม่อะไรอาวรทานไปแล้วก็เสียดายอะไรอาวรเอาไปโอ้ยดีเอาไปทำอันนั้นอันนี้ดีกว่านให้ไปแล้วมันก็เลยเป็นทานไม่ขาดเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าเคยเห็นหัวเตา่าไหมละ่ะ <c oughs> เคยอยู่แลวะหกเข้าหกว่ากัเนเอ้ยให้ไปแล้วเอาไปเสียเทิมให้ลูกดีกว่า ให้เอาไปสร้างอันนั้นดีกว่านี้ดีกวันไม่ขาดลอยเขาเรียกว่าศรัทธาเมตโต <c oughs> แม่พวกที่ไปทานไปแล้วก็ไปขอใบอะไรละ่ะ <c oughs> น, นั่นละ่ะศรัทธาเมตโตทานแล้วจะไปเอามาคืนทําไมอให้ไม่ขาดลอย เอาคืนไปทำไมให้ไปแล้วก็ให้ผู้ให้เนะ่ยคือผู้รับใจเป็นผู้ให้ใจเป็นผู้รับได้โดยใจถึงโดยใจแล้วไปรับก็คืนมาก็คลายใจอยูน่นะเอามามันจะได้บุญหรือไม่ได้บุญไปขอใบอนุโมทนาอนันตานิีกวุ่นวายอกีกใช่ไหมล่ะฮะมีคนไปขออย่างนั้นไหมนี่ไม่มีหรอกนอก้อพวกเรานั่งอยู่นี่ ได้ขอขึ้นมาอีกเออนั่นละ่ะนี่แหละศรัทธาหัวเต่าให้ไปแล้วอะไรอาวรเสียดายอยู่อยากได้ขึ้นมาอีกอยู่มันไม่ใช่เราทานอย่างเงี้ยให้เข้าใจอย่างนี้นะเนี่ยทานต่อไปก็เรื่องศีลนะทานก็ชำละ ความตนีที่เนี้วออกจากจิตจากใจจิตใจก็สว่างสวัยผ่องใสขึ้นมาระดับหนึ่งตอนนี้เอาศีลที่เนี่ยศีลก็ชำละล้างความสะปกความสกปรกมลทินมัวหมองอยู่ในจิตในใจคือล้างกิเลสอย่างอยาบๆคือความโลภความโกรธออกจากจิตจากใจ ศีลจิตใจของเราก็จะสะอาดขึ้นลำดับหนึ่งแต่ศีลมันก็มีหลายอย่างนะศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบ็ด น, 8, น, 10, น, นี่เป็นศีลในศาสนาพุทธเป็นศีลสังคม ศีลประเพณีสังคมของคาลวาะญาติโยมก็เอาศีลห้าสังคมของเนรก็เอาศีลสิบสังคมของชีปะขาวก็เอาศีลแปดสังคมของพระก็ศีลร้อยสองร้อยี่สิบเจ็ดอันนี้ศีลสังคมศีลประเพณีถือศีลตั้งแต่ปากถ้าจะเอาดีๆก็ต้องเอา ศีลกุศลกรรมบทสิได้ยินไหมล่ะกุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทาบทแปลว่าทางทางกระทาของผู้ฉลาดได้แก่นักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทําลงในศีล น, นี้ศีล น, นี้จึงถูกเรียกชื่อใหม่ว่าอาริยะ กันแต่ศีล น, น, นี่มันเป็นอย่างนี้ผู้ใดนำศีล น, นี้ไปปฏิบัติผู้นั้นก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาศีล น, นี้จึงเป็นศีลที่ยินดีพอใจของพระอริเจ้าทั้งหลายศีลกุศลกรรมบทสิกายกรรมสามวิจีกรรมสี ไมโนกรรมสามรวมเป็นสิทธ์ตายกรรมสามก็คือไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เอกพืชผิดในกลามนี่ได้ทุกคนอยู่นี่ไอวกีกรรมสี่ไม่พูดปดไม่พูดสอเสียดยุยงให้คนแตกเลา่าสมาธีกัน ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ่อเจ้อแล้วไร้ไสะระมโนกรรมสามไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แจ้งอีก ศีลอันนี้จึงเรียกว่าอาริยกันตศีลผู้มีศีลห้าก็เอาศีลอริยกันตศีลกุศลกรรมบทสิบไปบวกใส่ผู้เป็นแม่ชีตาผัาขาวก็เอาศีลแปดบวกกุศลกรรมบทสิบก็ได้เป็นแม่ชีอริย ผู้มีศินห้าก็ได้เป็นอริยบุคคลผู้มีศิลแปดก็เป็นอริยะเน้นสิลเจบก็บวกกุศลกรรมบท 10, สิบพระสินสองร้อยี่สิบเจ็ดก็บวกกุศลกรรมบทสิบก็ได้เป็นอริยะสงฆ์นี่นี่ศีลอันนี้เป็นสินที่ยินดีพอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเรียกชื่อใหม่ว่า อริยกันตสีนจำได้ไหมละ่ะฮะฟังแล้วเรานำไปปฏิบัติถ้าเราเสียห้าอยู่ก็เอาอาริยกันตสีนไปบวกใส่ก็ได้เป็นผู้มีกายดีวายาดีใจดีนี่ยกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาด กาปิดเสดวาจาปิดเสดใจปิดเสดผู้ปิดเสท่านก็เรียกว่าอาริยะบุคคลใช่ัหยผู้ปเปิดเสดอริยะบุคคลบุคคลผู้ปเปิดเสดเราก็เปลี่ยนจากปุถุชนปุถุชนผู้เกจกิเลสนนะั่นหายาดท่านเรียกว่าปุถุชน กลายเป็นอริยชนแหมง่ายๆนี่นะเป็นพอเป็นได้บ้างไหมละ่ะนี่อริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่อีกนี่ก็เดินขึ้นไปอย่างนี้ไปพันิพานอันขั้นนี้ก็เรียกว่าพรสโสดาบันขั้นตนเท่านั้นเองนี่นะ ผู้มีกายเป ร, เริิดวาจาเปรศิ์ใจเปรศิด <c oughs> ก็เรียกว่าอราิยะบุคคลพอจะเป็นได้ไหมละ่ะฮะเกิดมาจะไปอะไรหวงหาอะไรเอกอิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นอยู่เอกตั้งใจเป็นอริยะบุคคลน่ะ น, นะปิดอบายจะพูได้ น, นั่นเ่ะ อย่างมากก็มาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์อีกไม่เกินเกียติชาติเข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหน้าบุคคลผู้กระเสริฐนี่ศีลชำระล้างกิเลสอย่างหยาบออกได้นี่ก็ขั้นศีลต่อไปก็ขั้นสมาธิภาวนานี่นะ ทานศีลภาวนาภาวนาแบ่งออกเป็นสองอย่างภาวนาแปลว่าการกระทำเชื่อจริงชื่อเต็มก็จิตตะภาวนาอเขาไม่เรียกเต็มเขาก็เลยเรียกภาวนาเรียกย่อๆว่าภาวนาคำพาว่าภาวนาก็แปลได้สองอย่างหนึ่งทำใจให้สงบ สองทำใจให้เกิดปัญญาภาวนาแปลว่าทำจิตแปลว่าใจกิตตภาวนามันก็ทำใจให้สงบทำใจให้เกิดปัญญาเท่านี้ก็เข้าถึงพระานแล้วง่ายๆเองทำใจให้สงบก็หาอุบายมา ทำใจงสงบทำยังไงเคยภาวนามาหลายแล้ ว, วานั่งอยู่นี่ดูหน้ามีแต่นั่งนักภาวนาทั้งนั้นเลยใช่ไหมมีแต่นักเลงภาวนาทำใจงห้สงบทำยังไงล่ะท่นเนี่ยก็เอาหาคำบริกรรมอันใดอันหนึ่ง การทําใจให้สงบเรียกว่าสมถภาวนาอาหาอารมณ์มาเป็นเครื่องรูคของจิตเป็นคู่ของจิตให้จิตไปเสีบอยู่อารมณ์เดียวไม่ให้จิตออกนี้จากอารมณ์นั้นคุมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวจิต ก, ก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิอาการทําใจสงบมันก็ทําง่าย คเลือกคำวิร ก, กรรมคำภาวนาพุทธโธสัมมาอรหังหรือเขาเห็นเขาทําอย่างวันเมื่อวานเห็นไหวนิง่งไว <c oughs> <c oughs> นั่นก็เป็นอารมณ์หนึง่งไม่ให้จิตออกหนีจากไหวนิง่งจิตก็มารวมอยู่กับไหวนิ่งได้สัมมาอรหังยบนอพองหนอพุทธโธอาณาปานสติ คำบริกรรมคำภาวนานั่นนะกรรมฐานก็เรียกกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของอารมณ์ฐานที่ตั้งของจิตเราจะเอาอะไรมาเป็นกรรมฐานเอายุหนอพ่องนอเอาพุทโธธมโมสังโฆสัมมาหังหรือเอาลมหายใจก็ได้ คำบริกรรมพวกนี้กรรมฐานพวกนี้เกิดที่หลังของลมหายใจกรรมฐานสี่สิบห้องใคยได้ยินไหมล่ะอเป็นน้องของลมหายใจเพราะพระพุทธเจ้าตัดสิู้ที่ลมหายใจจึงเอาลมหายใจในที่นี้แนะนําให้เอาลมหายใจเป็นกรรมฐาน เป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นฐานที่ ล, ลึกของสติเอาลมหายใจเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่อง ล, ลึกของสติเราก็หาที่ตั้งของกรรมฐานที่ตั้งของจิตเลือกฐานที่ตั้งดีๆตามทางเดินลมหายใจนั่นละ่ะลมหายใจมันจะเริ่มเข้าที่ปลายจมูก ไหลเข้าไปขึ้นหน้าผากกระมองลำคอลิ้นปีท้องสะดือตั้งใจฟังเริ่มจาฟังหน่อยอย่าหลับ้าฟังไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มาให้นั่งสมาธิ น, นั่นเองให้มาฟังเอาให้มาจำเอาเป็นความรู้เล้อแล้วนำไปปฏิบัติที่บ้านจำเอาเป็นความรู้ไปเป็นปริยัติอันนี้ให้ไปปฏิบัติที่บ้าน เมื่อเข้าใจจำได้แล้วต้องไปปฏิบัติตามกรรมฐานเนี่ยทางเดินของลมหายใจกว่าปลายจะมูกหนึ่งสองหน้าผากสามนี่อะไรเนี่ยสีห้าหน้าอกหอกทอมเจ็ดสะดือฐานทั้งเจ็ดนี้เป็นฐานทางเดินของกิต ทางเดินของจิตจิตจะเดินไปกับลมพระองค์จึงให้เลือกตามทางเดินของลมหายใจเพราะจิตอาศัยอยู่ในลมใช่ไหมมันก็ไปกับลมนี่ออกก็เรียกว่าปัดสาสะเข้าก็เรียกว่าอัดสาสะมันเข้าตรงนี้ขึ้นมาที่สองสาม กรมอมสีลำคอห้าหน้าอกมกท้องเจ็ดสะดือเวลาเราไปปฏิบัติก็กำหนดสติจับอารมหายใจตามรู้ตามดูตามเห็นไปสะกก่อน ลมหายใจมันก็มีอยู่สองอย่างคือเข้ากับออกสั้นกับยาวเท่านี้เข้าก็เรียกว่าอัดชะๆออกก็เรียกว่าปัดชะเข้ายาวก็เหมือนกันเข้าสั้นก็เหมือนกันก็ เ, เรียกว่าอัดชะๆปัดชะาๆเหมือนกันก็ตามดู วิธีหาฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธิเราก็เอาลมนี่แหละวัดดูหายใจเข้ายาวยาวธรรมดาตามดูซะก่อนรู้จักตามไหมสติตามลมเข้าไปมันจะไปกระทบที่ไหนเกจฐานเนี่ย แล้วก็ออกมาก็ตามดูตามรู้ตามเห็นสักห้าครั้งเข้าออกตามเข้ายาวออกยาวต่อไปก็เข้ายาบเข้าหนักหนักนั่นแหละยาบออกยากยบดูอื้ ห้ารอบทำอยู่อย่างนี้อย่าไปรีบไปร้อนใจเย็นๆพอเข้าใจบ้างไหมละ่ะพอเอาเข้าหยาบแล้วก็เข้าละเอียดมันมีสามเลยหนึ่งปานกลางสองหยาบสามละเอียดดูมันกระทบตรงไหนสังเกตให้ดูสังเกตให้ดีใ ห, ดให้มันเห็นว่ามันที่นี่ยาวแล้วก็เอาสั้นดูอีก ห้ารอบเข้าสั้นพอดีออกสั้นไม่อยากไม่หนักไม่เบาที่นี่ก็รอบต่อไปก็เอาเบาลองดูต่อไปก็เอาหนักลองดูเราจะจับได้ว่าอ๋อมันกระทบตรงนี้ชัดที่สุดเด่นที่สุด ผู้ภาวนาใหม่นั่นเนี่ยพู้เป็นแล้วเนี่ก็ฟังไปเฉยเฉยพููทําได้แล้วพูดสงบแล้วผู้ยังไม่สงบก็ฟังเอาแล้วก็หาที่ตั้งเอาสติมาตั้งไว้ที่ฐานที่เราเลือกได้นั่นแหละเนี่ยก็เอาสติตั้งอยู่นี่ออกก็ให้เห็นหนักก็หเห็นเบาก็หเห็นเอาไปมา บางบางทีไม่เอาหนักไม่เอาเบาไม่ไม่ดูแล้วก็เราเวลาเข้าเราก็บรีรกรรม่าพุทธอย่างนี้ก็ได้ออกโทรหรือบางทีก็เอาเวลาลมเข้าไปก็เรียกว่าเกิดลมออกมาก็เรียกว่าถ่าย เกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้ดูไปไม่ให้จิตออกหนีจากลมหายใจสามอันเนี่ยหนึ่งลมหายใจสองจิตสามสติให้แนบสนิทติดกันอยู่อย่างนี้สามอันนี้อย่าให้ไม่ไม่หนีออกจากกัน ถ้าสติเผือลมสติเผือจิตก็จะวิ่งหนีจากลมไปได้สติต้องคอบกิตอย่อยางนี้คุ้มจิตอ ย, อย่างนี้มาให้รู้อยู่กับลมให้ใจอย่างนี้ทาได้ขนาดหนึ่งก็ได้ขันนิกะรมอขันนิกาสมาธิเท่านั้นได้สองสามพนันลิกก็ได้ สองสามคณิกะสมาธิสมาธิมันจะต่อกันไปสี่ห้าขณะจิตสิบขณะจิตเอาไว้มาก็ได้อุปจลสะสมที่แรกก็คณิกะสมาธิบวกกันหลายๆอันใช่ไหม <S <S พเพราะแต่เราเนมลรมดูลมเข้าดูลมกั น, นดดูลมอยู่ ลมเข้าออกเนี่ก็เรียกว่าขณะจิตแล้วเนี่ยขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งหรือเรียกว่าขานิกะสมาธิเข้าใจไหมแน่เราไม่รู้จักว่าหมายขานิกะขานิกะก็คือขณะลมหายใจเข้าออกขณะหนึ่งนี่แหละเรียกว่าขานิกะสมาธิเราเห็นติดต่อกันไปเป็นสิบเข้าออกสิบครั้งยี่สิบครั้งไปก่อน จะกลายเป็นอุปจารสมาธิขึ้นมาท่านเรียกว่าขานิกะสมาธิใช่ไหมอุปจารสมาธินานๆเข้นานไปก็เป็นอปปนาสมาธิดูไปดูไปสามอันนี้แน่สนิทติดกันอยู่ลมหายใจก็จะเบาลงเบาลง จางคายหายไปก็จะเหลือตั้งแต่กิจของเราโผล่ขึ้นเป็นผู้รู้รู้รููอยู่เท่านี้รู้รู้รู้รอยู่เฉยๆนี่ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิทอืมต้องเข้าใจด้วยลมหายใจเราไม่รู้ว่าลมหายใจคืออะไรลมหายใจ คือกายในรู้จักกายในไหมเขาองคเรียกว่ากายในกายของเรามีอยู่สองชั้นต้องเข้าใจอย่างนี้ผู้ภาวนานะ่นะไม่ได้ไปภาวนาจับเอาโงโงโงนะว่าจับเอาลมณ์ไา่ไก็ดูโงโ ง, โงไม่รู้ความหมายแล้วไมเจนนี่แหละคือตัวของเราคือกายในเข้าใจไหมละ่ะกิจอาศัยอยู่ในลมเรียกว่าใจ ลมหายใจ ก, ก็คือกายกับใจนั่นเองคือขันห้าคือตัวเราคือวินมันหมุนอยู่นี่จิตมันหมุนอยู่นี่กับลมหายใจนั้นเขาเรียกใส่กันว่าวิญญาณวิญญาณเกิดเวลาลมเข้าไปได้ยินไหมล่ ะ, ะเห็นไหม หายดูเดี๋ยวนี่ยเกิดออกมาพ้นตปยอยหมกตายตายลมตายออกไปเลยลมหายใจไม่แรงงหายด้วยนะตัวยานตัวรูนี่อยู่ที่นี่ท่านเรียกว่าขานิกะมอละนังตายชั่วขณะเดียวต่อไปปลอดก็สูบอลมใหม่เข้าไป ตัวจิตก็วิ่นเข้าไปกับลมอีกตลอดวันเกิดตายเกิดตายวริกรันว่าอย่างนี้ก็ได้เอาไปมาลมหายใจก็เบาลงเบาลงเรียกว่ากายและหูลมหายใจคือกายไม่กายและหูคือลมเบาลงลมเบาลงเบาลง ต่อไปก็กายก็ลำงับลำงับแปลว่าดับลงก็เหลือแต่เด็กจิตเป็นผู้รู้รูู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นนี่ก็เรียกว่าเราได้ส ม, ถภ า, ภาสมถภาวนาเท่านั้นสมถภาวนาเนี่ยลมหายกายไม่มีกายหยาบก็ไม่มี มีแต่ความรู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นรู้เฉยเฉยนี่เรียกว่าเกโตวีมุตเคยได้ยินไหมฮะแปลว่าอะไรรุดพ้นุดพนอยากอะไรอะไรคือขั น, ขนออห้าลมหายใจนี่แหละคือขันห้าลมหายใจดับลงก็ กิจหลุดพ้นจากขันห้าก็เรียกชื่อใหม่หว่าเกโตวิมุตติกิจหลุดพ้นจากขันห้าก็ได้สมถะง่ายไหมล่ะฮะนี่อันนี้มันจะปราบกิเลสอย่างกลางนิวรนธรรมหา้ากรรมะชันทะพยาบาททิณมิทะอุทะจากกุกุจะวิกิจิชาดับลง นีบ่บณ์ธรรมห้าดับลงเรียกว่าสมาธิปราบกิเลสอย่างกลางออกจา ก, กจิตจากใจได้จิตก็ไม่ไปท่องเที่ยวอยู่ในกามมันก็เปลี่ยนไปท่องเที่ยวอยู่ในรูปรารวจรจิตอะไรรูปรารวจรจิตอะฮะฮะรูปฌานรูปภพอืมนั่นนะมันมันเปลี่ยนจากกาม มาว่าจอไปเป็นรูปาว่าจอก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราก็ได้เจโตวิมุตรเห็นองค์พระนิพพานขึ้นมาชั่วชาญสะกดไว้นี่เอาไปทำดูนะต้องให้รู้ว่าลมหายใจคือกายในได้ยินไหมล่ะ จิต อ, อารมณ์ใจ อ, อาศัยอยู่ในลมหายใจเรียกว่าใจกายกับใจหนึ่งคือลมหายใจเนี่ยเวลามันเข้าไปก็เกิดคันห้าเกิดเวลาออกมาก็คันห้าดับแล้วก็หมุนกันอยู่ตลอดวันตลอดคืน เราก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายนอนหลับมันหมุมนไหมหรือรูกตัวหมุนหรือฮะ เ, <c ười> เกิดดับอ่บางทีก็โกนเลยนะอ๋อผู้หญิงก็โนเป็นนะไม่ใช่โกนแต่ลงานะเออเข้ามันบางทีโอ้อ ออกได้ไหมเออนั่นละเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้หาหาระหว่างขั้นไม่ได้ติดต่อกันท่านเรียกว่าสันตติเออดับอยู่เป็นสันตติสืเมเนื่องกันอยู่อย่างนี้หาระหว่างขั้นไม่ได้ถ้ามีอะไรมาขั้นได้ไหม ฮะได้ไหมไม่ใล้มต่อกันฮะอยู่ได้ไห ม, ไมไตายแล้วเราอาศัยมันได้ไหมล่ะนี่แหละขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้ตัวเราเนี่ยนี่ตัวเราจริงจรงคือลมให้ใจเนี่ยเกิดดับเราก็ได้จิตตั้งมันเป็นสมาธิก็เรียกว่าสัมมาทินี่แหละ ลมให้ใจได้ทั้งสมถะและวิปัสนาทำง่ายๆนี่เองก็จิตหลุดพ้นจากขันห้าชั่วชาญสะกดไว้ท่านก็วิขำอณะวิมุตหลุดพ้นชั่วชาญสะกดขันห้าเอาไว้เมื่อมันอิ่มแล้วมันก็ถอนออกมา ก็เห็นลมให้ใจหยาบขึ้นหยาบขึ้นหยาบขึ้นหยาบขึ้นก็ไม่เห็นกายนอกตอนลมให้ใจไม่มีกายนอกก็ดับลมหายให้กายไม่มีดับขันห้าขันหยาบขันละเอียดได้ทั้งสองอย่างแล้วจะมาดับขันหยาบหยาบโดยตรงย่อมไม่ได้ถ้าเข้าสมาธิจึงจะดับขันหยาบนี้ได้อันนี้ก็เรียกว่าสมถะ ไปแล้วนารีกาเขาซักชั่วโมงวันนี้ไปแล้วนาใกล้ชั่วโมงอะไรแล้วเสียแล้วเสิหานาทเาีเอาที่นี่ก็นี่เรียกว่าสามถภาวนาภาวน า, น า, วนาต่อไปก็วิปัสสนาภาวนา นิปัสสนาแปลว่าปัญญาแปลว่ารู้แจง้งรู้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งซึ่งก้อนสกุลกายนี่รู้แจ้งซึ่งลมหายใจรู้แจ้งซึ่งขันห้าลมหายใจเรียกว่าขันห้าได้ไหมกายกับใจก็เรียกว่าขันห้าได้ต้ินไปเห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ที่แรกก็เห็นกายในกายเห็นลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกเข้าใจไหมต่อไปก็ไปเห็นเวทนาเกิดขึ้นปีติสุขเกิดขึ้นก็เรียกว่าเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาปีติสุขดับลงก็เห็นกิจในกิตอันที่สี่ก็เห็นธรรมในธรรมนี่เรียกว่าวิปัสสนาแล้วธรรมธรรมชาติคือลม หายใจคือก่ในคือลูกทาได้เย็นไหมล่ะทางนอกได้เย็นไหมนอกเนี่ยฮะได้เย็นอยู่เราเนี่นั่งอยู่ข้างในทำไมรู้ว่าเขาได้เย็น่ะพวกนี้มันหูทิพย์หมดแล้วจริงไหเ <c oughs> นี่ยเนี่ยลมใงใจก็คือ รูปธรรมเข้าใจรูปธรรมไหมจิตอาศัยอยู่ในลม ก, ก็เรียกว่านามธรรมนี่สองอันนี้รูปธรรมนามธรรมเกิดดับเกิดดับนี่นี่ปัญญาวิมุตห์เมื่อกี้เป็นเจโตวิมุตหง่ายไหมเห็นไหม เกิดขั้นห้าเกิดดับเปิดดับขั้นห้าเรียกว่าธรรมลูกธรรมนามธรรมลูกธรรมคือลมหายใจจิตคือนามธรรมลูกธรรมนามธรรมเกิดดับเที่ยงไหมฮะไม่เคยท<ะ>ัย้งเกตสักทีนอนทับลมหายใจอยู่ตจง ไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วเที่ยงหรือไม่เที่ยงครันห้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเข้าใจจริงหรือเปล่ดับเที่ยงไหมสิ่งได้เกิดสิ่งไม่ดับสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่มันเกิดมันดับเนี่ยพระองค์ว่าทุกข์สิ่งได้เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตา อนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนไม่ได้แต่งให้มันเกิดมันก็เกิดไม่ได้แต่งให้มันดับก็ดับมันเป็นเองของมันอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมอะไรทีนี้ขันห้าเป็นอนิจจังเนี่ยมีปัญญาเห็นขันห้าเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตา มันเกิดดับเกิดดับคันหามันเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เข้าใจไหมไม่ได้เกิดดับตั้งแต่ชาติก่อนนอะเกิดดับภายในเนี่ยเห็นธรรมในธรรมเนี่ยธรรมาชาติเกิดดับเกิดดับเกิดดับหมุนเป็นวัฏจัรสงสารอยู่อย่างนี้ เราก็มาท่องเที่ยวอยู่ในวัดจทองสารยาวนานไมหมล่ะฮะกี่ปีแล้วมาท่องเที่ยวอยู่ในวัดจทองสารฮ ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะวัดจตองสารไม่ใช่ชต่ชาติก่อนชาตินนทะ์นะชาติที่ขั้นห้ามันเกิดดับอยู่เดี๋ยวนี้เขาใายไหมละ่ะนี่มันอยู่นี่อริยะสัจสีก็อยู่นี่ นี่แหลปัญญาวิมุตตก็รู้ว่าขันหาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาจึงเห็นว่ามันเกิดดับมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะมันเกิดอยู่ตลอดวันเราจะอยู่ได้แค่เท่าไหร่หน้าเบื่อหน่ายไหมวัตจ่เนี่ยถ้ามันหยุดหมุนเราจะอยู่ได้ไหม ฮะอยู่ได้ไหม<ช>วัดจักรสงสารมันหมุนอยู่อย่างนี้เมื่ออะไรมันหยุดหมุนอะ่ะแล้วอาศัยได้ไหมบอกได้ไหมอืมเอาออกซิเจนมาใส่ก็แค่น <c oughs> ั้นย่อยได้ชั่วคราวแค่นั้นอ่านี่แหละวัฏจะทรสงสารจิตของเราก็หมุนท่องเที่ยวอยู่ในวัฏจะกรสงสารนี่ เราจึงจะเห็นทุกข์รู้จักทุกข์หรื อ, อยังย น, นี่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏจะสงสารจึงจเะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงจะคลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีอยางเมื่อเกิดเอาอีกไหมล่ะฮะต้องก็หมุนอยู่อย่างนี้ถ้าไม่ไม่มุนแล้วเป็นยังไง อาศัยมันได้ไหมล่ะฮานี่มันต้องดูให้มันเห็นนะนี่แหละทุกพระองค์ดูจากนี่เมื่อดูไปดูมาก็เห็นชาติเห็นไหมชาติชาติคืออะไรอะไรเกิดลมหนใจ<ำ><ำ> เราเกิดขันห้าเกิดชาติพอเกิดแล้วแก่ไหมแกม่ตายไหมตายนี่แหละทุกข์ทุกข์ในอริยสัจสีพระพุทธทองค์หมายเอาชาติชลาหมระนะเข้าใจไหมไม่เห็นทุกข์สักทีเกิดมานั่งอยู่เนี่ย ใช่ไหมอ่านี่แหละสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายที่พระองค์ว่าไม้เอาอะไรเห็นอะไรเห็นทุกข์รู้จกักทุกข์รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์คือสมุทยัยละสมุทัยก็เรียกว่านิโรธ ดับทุกปัญญามาดับทุกก็เรียกว่ามรรคไมองแปดสัมมาทิฏฐินี่รู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดแห่งทุกความดับทุกแนวทางปฏิบัติดับทุกนี่มันมีเท่านี้คนเกิดมาต้องมาศึกษาให้เข้าใจรู้เท่าเข้าใจ เราไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่งสบายหายใจเล่นอยู่เฉยๆใช่ไหมหายใจต้องเกิดความละ แ, ว ง, แวงกลัวอ๋อนี่ชาเขาเห็นไหมชาติแปลว่าชาติคือเกิดรือจะเกิดหรื อ, อยังเห็นจ้าของเกิดหรื อ, อยัง เกิดแล้วแก่พร้อมกันไปเลยชลาออกมามรแล้วนะวันหนึ่งวันหนึ่งเราเกิดเราตายอยู่อย่างนี้กี่ครั้งฮะฮอเออนกอนันพกนับพกไม่ได้เกิดตายพกหนึ่งใช่ไหมอีก ชม่วมงหนึ่งมันกี่พบจึงให้เบื่อหน่ายในพบเมื่อดับพบได้ชาติจะมีไหมละ่ะชลาโมลณะจะมีไหมละ่ะนี่ท่านเนื้หาดูอย่างนี้เราจึงเบื่อหน่ายคายความยินดีดับไม่มีเหลือซึ่งขันห้าได้สิ้นอาสัวิกิลิต อันนี้เป็นขันขันละเอียดทุกเห็นไหมล่ะชาติชลามระาฮะ น, นี่แหละทุกในอริยสัจสี่จะไปดูที่ไหนนี่ชาติชลาโมระาเนี่ยพระองค์ไม่เอาทุกในอริยสัจสี่สมุทัยก็ไม่รู้ว่า ตัวเองเป็นชาติเป็นชาลามรณะเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมไม่รู้ว่าเจ้าของเกิดเจ้าของแก่เจ้าของตายเลยไปเห็นเด็กน้อยเกิดมาชาติของเด็กของคนเกิดชลาของคนแก่คนตายเข้าลงไปเฉยๆมันเป็นสัญญาในอดีตอันนั้นส ม, มุทยัยอันนั้นเป็นสัญญาในอดีตไม่เห็นส ม, มุทยัยไม่เห็น ตัวของตัวเองตัวของตัวเองคืออะไรฮะอลมหายใจตายหายใจโอตัวของตัวเองก็คือลมหายใจนี่แหละเกิดขันห้านี่แหละคือตัวของตัวเองเข้าใจไหมวิญญาณนี่แหละคือตัวของตัวเองเกิดตายเกิดตายเกิดเจอะตายเกิดเจอะตายไปเห็นเกิดภายนอก เห็นแก่ภายนอกเห็นคนเข้าโงตายไปอันนั้นเป็นสัญญาในอดีตอันเกิดแท้ๆไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเพิ่งจะมานมื่ออกเห็นไหมล่ะที่นี่เห็นไหมเกิดอ่ะนี่แล้วเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เกิดเบื่อหน่ายในทุก เบื่อหน่ายในคันหา้าเบื่อหน่ายในลมหายใจว่าเราจะหายใจไปได้สักกี่ครั้งพ่อไปนี้ไปจะหายใจได้สักกี่ครั้งมีคนเขารู้นะเขาจับเอาดูเขาจะหายใจได้เท่านั้นเขาจะอยู่ได้เท่านี้วันเท่านี้ปีเขารู้ เราไม่เคยสังเกตก็เลยไม่นั่นนี่แหละปัญญาวิมุิจิตหลุดพ้นจากขันห้าดับขันห้าได้โดยเห็นว่าขันห้ามันเป็ น, ปนธรรมชาติเป็นธรรมชาติตกอยู่ในกฎธรรมชาติอานิจจังทุกขังอนัตตาเกิดตายเกิดตายอยู่นี่ ไม่มีที่สิ้นสุดจึงเกิดนิพพิทายานเกิดเบื่อหนขึ้นมาวิลาคานิสัยคายความยินดีนิโรธาดับขันห้าได้สิ้นอาสวะกิเลสมันไม่อยู่ไกลมันอยู่ที่ไหนไไฮะ อยู่ที่ไห น, น, น, ไหนมันอยู่ที่ลมหายใจนี่เองนี่เจตวิมุตต์ก็อยู่นี่ปัญญาวิมุตต์ก็อยู่นี่เบื่อหน่ายคลายความยินดีเห็นโทษเห็นภัยในวัดแต่สงสารนี่มันเกิดเห็นวัดแต่สงสารอะไรอย่างเห็นจังหวะฮ เ, เห็นอย่างนนะหมดอยู่ยังไงเหมือนกงจัก วัฏจักรวัฏจิตจิตมันหมุนอยู่เกิดตายเกิดตายเกิดตายเป็นวัฏจัรสงสารอยู่อย่างนี้ยิ่งเบื่อหน่ายในวัฏจัรสงสารเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏจัรสงสารก็ยังไหมละ่ะยังไม่เห็นทุกข์เห็นภัยมัน ก, บเบนกน็เบื่อหน่ายทไมเบื่อหน่ายก็เห็นทุกข์เห็นภัยเบื่อหน่ายใครความยินดี ดับไม่มีเหลือสึ่ขนขณ้าสิ้นอาสาวเจตในทิฏฐธรรมนี้ น, นี่ปัญญาเวมุดพอนึกออกไหมต้องไปทำดูนะนี่นี่ที่แสดงให้ฟังวันนี้ก็เจตนาอยากให้เห็นขันห่านี่แหละเห็นทุกทางดำเนินเดินออกจากทุก์นี่ ทกุก็คืออะไรไไขันห้าเกิดดับนี่แะชาติปีทุกขาเนี่ยเข้าใจไหมล่ะชาติคือเกิดเมื่อความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปีทุกขาเมื่อความแก่ก็เป็นทุกข์มอและนำปีทุกขังเมื่อความได้ควา ม, า ย, ว า, มายก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งอริยสัจจริงนี่แหละทุกคืออริยสัจจริง ดุขั้งอาชาตถาตถาติผู้ใดไม่อยากทุกข์ไม่ต้องมาเกิดอีกเข้าใจไหมล่ะไม่ต้องมาเกิดอีกก็ต้องมาดับขันห้าได้ดับขันห้าได้ละขันห้าได้ไ ด, ดับขันห้าได้ก็เข้าสู่พระนิพพานไม่ใช่ตายนะ เดี๋ยวคนว่าดับขันห้างมันก็ตายก็ใช่ไหมตายไห ม, ไมดับด้วยปัญญาวิมุตตดับด้วยสติปัญญาได้ยินไหมขันห้างมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่แหละแต่เรารู้เท่าเข้าใจว่ามันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันเที่ยงไหมทุกขังอนัตตาเป็นตัวของเราไหม ขันห้าเป็นเราไหมเราเป็นขันห้าไหมนี่เราก็ดับด้วยวิธีนี้ด้วยดับด้วยสติปัญญาอืมนี่ละทางดําเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานเราก็เข้าสู่พระนิพพานได้ใช่ไหมดับขันห้าได้ก็เข้าสู่พระนิพพาน ขันห้ามันบังพระนิพพานมันเกิดมันดับอยู่ไงพนิพพานแปลว่าดับสนิทดับอะไรพระเจ้าข้าดับวัฏจะรสงสารรู้จักวัฏจะรสงสารไหมคือยังไงฮะอะไรเวียนว่ายใจเกิ ด, ด, พ, ดพวกนั้นล่ะ ไม่รู้เรื่องโอ้ยมาฟังบ่อยๆได้ให้มันเข้าใจหน่อยแต่ก็ไม่อยู่ใกล้กับดวงใาไม่ได้ฟังไงจะมาดับวัฏสงสารวิทยนิพานคื อ, อยังไงพระ้าค่านี่ยนะพระนิพานแปลว่าดับคือดับสนิทดับอะไรสนิทพระเจ้าค่าดับวัฏสงสารเมื่อดับวัฏสงสารได้ก็เห็นพระนิพาน วัฏจะรสงสารก็คือขั้นห้าเกิดดับเกิดดับหมุนอยู่นี่พบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่นี่ดับวัฏจทรสงสารได้ดับเพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่มาฆาตัวตายดับด้วยปัญญารู้ว่ามันเป็นอนิจจังเข้าใจไหม มันเป็นทุกครั้งมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนของเรามันหากทำงานของมันรูปทำนามทำอิงอาศัเกิดเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหมุนเป็นวัฏจัรสงสารอยู่อย่างนี้เมื่อผู้ใดมาดับวัฏจะสงสารได้ก็เห็น เห้เเห็นไ่้ในพานาลแล้นะอันนี้เป็นขันละเอียดคือลมหายใจที่นี่ขันหยาบก็เหมือนกันนะรู้จกขันหยาบไหมอยู่ไหนขันหยาบอะ่ะใ้ น, นั่ง hey, อยู่นี่อลไรเนี่ย <laughs> เห็นไหมล่ะกายนี่ในกายนี่ก็มีตา โอจมูกลิ้นกายใจรวมกันอยู่นี่อืมนี่เรียกว่าลูกธรรมลูกภายในตาหอจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ากายเรียกว่าลูกมันไปกระทบกับลูกภายนอกลูกเสียงกลิ่นรด โพธพภะธรรมารมมันก็ส่งไปบอกใจใช่ไหมล่ะกายกับใจก็ร่วมกันทำงานเหมือนกันกายก็คือลูกใจก็คือนามลูกกับนามอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วดับไหมตายลูกเกิดเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาดั บ, ดบหงอได้ยินเสียง เกิดดับจมูกได้เป็นเกิดดับลิ้นในรลดเกิดดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้ก็ดับไปเป็นธรรมดาขันห้ามีความเกิดขึ้นเข้าใจไหมตาก็คือลูกขันวิญญาณตาคือนามขันคือใจเกิดดับวันหนึ่งเห็นรูป ก, กี่ครัง้งฮะ ได้ยินเสียงเจียค้างนับพบนับชาติได้ไหมหมุนเป็นวัตจัสงสารอยู่เหมือนกันหเห็นไหมละ่ะเมื่อใครมายึดมั่นถือมั่นหลงมายึดมั่นถือมั่นว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีเราก็เป็นมิจฉาทิฐิก็เป็นทุกข์ถ้าใครมาดับรู้ว่าขันห้าไม่ใช่เรา เราก็ไม่ใช่ขั้นห้าขั้นห้าไม่มีในเราเรามีแม่ตายเห็นรูปวันละกี่ครั้งหูได้ยินเสียงวันละกี่ครั้งจะเป็นทุกข์ไหมนี่ก็ดับทุกข์ได้นไงดับวัฏจักรสงสารได้ก็ดับทุกข์ได้ก็เห็นพระนิพพานจิตของ เ, ขเราก็ว่างจากโลกว่างจากอารมณ์ว่างจากสมมุติจิตก็เสเวยวิมุตติสุขอยู่เรียกว่าพระนิพพาน มันได้นี่นี่ขันยากขันขันการามมาโลกหรือจะพูดอกีกแง่หนึ่งก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิขั้งสุดท้ายต้องมารู้จักอาสะวะเอาวิชานี้จะสามสิบนาทีนะอาสะวะรู้จักอาสะวะเหตุเกิดอาสะวะ ความดับอาสวะแนวทางดับอาสวะคือปัญญาอาสวะคืออะไระออไมันเกิดจากไหนเกิดจากอาวิชชานี่เองต้องรู้จากอาสวะอาสวะก็มีอยู่กา ม, มา สวะพวาสวะอวิชาสวะนีแหละคืออวิชาเอกามาสวะพวาสวะอวิชาสวะนี่แหละคืออาสวะสามอย่างกา ม, มาสวะมันเกิดมาจากไหนอ่าผลกระทบนั่ น, นพยธนาธตชนะภายนอกภายในยกระทบกัน รูกเสียงกลินรถโพภชพะห้าอย่างเรียกว่ากา ม, มาลมเรียกว่ากา ม, มาไวจอนจิตกามนี่แหละนี่เรียรู้จักกามมาสวะกา ม, มาสวะอาสวะคือกามมันเกิดจากห้าอย่างนี่เกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่ น, นลิ้นได้รส พุทธภานีเรียกว่ากามมาสวะถ้ายินดีพอใจในอยากได้ขึ้นมาก็เรียกลาคานุสัยใช่ไหยละ่ะเปิดความโลภขึ้นมานี่ยนี่กามมาสวะพระวาสวะความไม่พอใจในรูกลถกลิ่นเสียงที่มากระทบ ก, กับข้างในเราตาหัวจมูกลิ้นกายเรา ไม่ถึงใจนะเกิดไม่ยินดีไม่พอใจเรียกว่าภาวาสวะเพราะอะไรเพราะอาวิชชานี่แหละจึงว่าอาสวะเกิดเพราะอาวิชชาเกิดท่อนี้ลงว่าเรามีอยู่ในขันหะลง่าเราเป็นขันหะถ้าดับตัวเราลงได้อาสวะดับไหมฮะอาสวะดับเพราะอาวิชชาดับท่อนี้ อาสะวะเกิดเพราะอวิชชาเกิอดอวิชชาดับอาสะวะก็ดับปัญญามาดับนี่ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้จักอาสะวะรู้จักทุกนั่นเองอาสะวะนี่แหละคือทุกขเขา้าใจไหมล่ะเหตุเกิดแห่งทุกก็คือสมุทยัยสมุทยัยเหตุเกิดอาสะวะก็เหตุเกิดทุกความดับอาสะวะก็นิโรธ ก็เดียวกันพูดค้นความหมายให้เราเข้าใจวันนี้ก็พูดให้ฟังเรื่องทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานเราทาน <c oughs> มาชำระล้างพระนิพพานก็คือใจนี่แหละล้างใจออก ใจยังแตนีทีเนี้ยวอยู่เอาทานล้างออกยังไม่หมดเอาศีลล้างออกเอาสมาธล้างออกเอาปัญญาล้างออกตัวอุปธินอนเนื่องอยู่ในสันดานคือตัวอวิชชานอนเนื่องอยู่ในสันดานก็จะดับออกจากนี่จากจิตจากใจของเราดับออกจากสันดานของเรา จิตใจของเราก็พองแพ้่แจ่มใสก็เป็นพระนิพพานขึ้นมาเท่านั้นเองนะพอเข้าใจบ้างไหมล่ะฮะ <c oughs> <c oughs> ได้ยินแล้วได้ฟังแล้วก็นำเอาไปประพฤติปฏิบัติให้ <c oughs> รู้จักขันหยาบคือกายหยาบ <c oughs> ขันละเอียดคือลมหายใจ ลงไม่ใจเรียกว่าขันห้าเหมือนขันอันนี้ก็ขันอยากขันละเอียดยังมีขันหยีกสองขันขันสุ ข, ขุมขันปณิสเรียกว่ารูกชานอรูปชานเป็นขั้นของพระอรหันต์นั่นต้องดับลูปชานอรูปชานได้แม้ได้ชานสมาบัติแปดยังมาติดอยู่ในชานอยู่ก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิ ไม่ใช่สัมมาสมาธิตายไปแล้ว่ายังไปตกอลอบายยภูมได้นะพวกไดชานถ้าไม่เป็นพระโซดาบันคิดไ้เห็นไหมเทวทัตเราอ่านเจอไหมไ ด, ได้ชานสมาบัตแปดได้อภิญญาห้าอภิญญาตัวที่หกไม่ได้อาสาวัคายาญาณไม่ได้ ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอาสวะเหตุเกิดอาสวะเทวทัศน์ไม่ได้ไม่รู้จักจึงได้แต่ชาญสมาบัดเปรตตายไปก็จงไปตกอบายภูมิอยู่นี่ไปเกิดอยู่พรมะโลกผู้ได้สมาบัดเปรเท่านั้นยังเวียนหไหวแต่เกิดอยู่ผู้ดับขันห้าได้ขันหยาคือกาม มันโลกขันละเอียดคือลมหายใจขันสุขขุมคือลูกชานลูบเวลาค่านี่ลูบเวลาคะขันขันประนีตขันสี่ขันมันอยู่ในตัวของเราซ้อนกันอยู่นี่ซึ่งเราไม่รู้จักรู้จักก็ดับไม่เป็นนะให้เข้าใจอย่างนี้ละออืวันนี้ก็มาให้ความรู้ ไม่ให้มาหลับตาฟังได้ความรู้ออได้รู้ว่าขันมันซ้อนกันอยู่ห้าเอสี่ขัน น, นะออก็พอเข้าใจไหมละ่ะใครสงสัยอะไรบ้างไหมสงสัยไหมถามให้โอกาสสักหน่อยคมีท่านใดสงสัยที่จะถามใครบ้านมันจะสงสัย สกสารหลวงข้อครับหลวงตาครับคือขออนุญาตเรียนถามว่าไ อ, อ้ตัวจิตใจวิญญาณเนี่ยที่เป็นก้อนสกลากายตัวขันห้านะครับผมซึ่งซึ่งว่าเมื่อเมื่อดับสมมุติได้หรือดับขันห้าได้เนี่ยก็จะเห็นวิ ม, มตุตนะครับแต่คราวนี้ไ อ, อ้ตัวตัวเมื่อดับขันห้าเนี่ยตัวใจหรือจิตหรือวิญญาณเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าใจใจตรงที่ที่ดับไปเนี่ย กับใจดวงที่ดวงใหม่ที่ใจดวงที่ดับไปก็คือตัวดวงที่ไม่ยึดน่นะครับส่วนใจดวงที่ที่ทวตีครับตัวใจดวงที่ดับไปก็คือตัวที่ยึดส่วนใจดวงดวงที่มันไม่ยึดเนี่ยตัวนั้นก็คือตัวนิพพานใช่ไหมครับผมอ้าวตัวน้งมันตายมปเป็นตัวหนึ่งมันเกิดมันดับที่ดับไปเอเข้าใจไหมครับตัวที่ไม่เกิดไม่ดับผู้ที่ตายไม่เป็นนั่นแหละ อามิตตพุทธคือคุทโธตายไม่เป็นก็คือใจใจนี่แหละพระนิพพานอามิตตพุทธนี่นะใจที่ดับไม่เป็นนี่นะเรียกว่าพระนิพพานตายไม่เป็นอามิตตไม่มีคํานวณคํานวณไม่ได้อไม่มีประมาณรู้รู้อย่างนี้ตัวนี้เข้าใจไหมไม่ตายตัวเนี้ย ตัวที่เกิดที่ใจมันเป็นใจพร้อมเป็นสมุติไทยเพราะมันเป็นยึดตลอดมันก็เลยดับเกิดดับไปเรื่อยๆรวงที่มันเกิดมันดับมันมีอยู่รวงที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็ซ้อนกันอยู่นี่อหมายถึงว่ามันซ้อนกันอยู่เหรอครับโอ้คือขั้นห้าเนี่ยมันก็ซ้อนกันอยู่สี่ขั้นเนี่ยอเรารู้ว่ามันซ้อนกันไหมล่ะถ้าไม่พูดให้ฟังขั้นขั้นลมหายใจก็ซ้อนอยู่นี่ ขันขั้นชานบางทีมันชานมันดับลงกิดมันดับลงก็เป็นชานรูปชานอะลูปชานขึ้นมามันซ้อนกันอยู่นี่หมดนะวันหนึ่งวันหนึ่งมันซ้อนกันอยู่นี่กิดกับใจมันก็ซ้อนกันอยู่นี่ผู้เกิดผู้ดับผู้ไม่เกิดมมนดับมันก็อยู่ด้วยกันนี่ปิดกันเลยเหรครับเออมันแยกกันเพียงแต่รู้จกว่าผู้เกิดผู้ดับหนึ่งคือมันไม่เที่ยง ยังาใจไหมล่ะผู้ไม่เกิดไม่ดับไม่มันไม่เที่ยงมันเที่ยงให้เราไปอยู่กับผู้ไม่เกิดไม่ดับเข้าใจไหมล่ะออืนี่แหละคือพระนิพพานอามิตตาพุทธอมิตตายุไม่มีอายุอามิตตาผ่าสว่างพองไสเป็นธรรมชาติประมาณไม่ได้คํานวณไม่ได้นี่เข้าใจบ้างไหมล่ะก็ พอเข้าใจบ้างครับยังยังงงตรงที่ว่าจริงจริงาไม่มันมีตัวรู้อยู่เฉยเฉยตายไม่เป็นคือจิตแท้ใจเดิมครับครับโเกิดตัวดับเนี่ยจิตมา้าอารมณ์ม้ากระทดจิตใหม่เป็นจิตสมุทัยหรือเจตสิกเข้าใจไหมละ่ะมันเกิดมันดับอันเนี้ยอันไม่เกิดมันดับนั่นจึงเป็นตัวเราแท้แท้แตอนแรกมันก็จะมองไปก็เหมือนมีมีสองสองประเภท โม่ตัวเกิดตัวดับตัวไม่เกิดไม่ดับแล้วก็ไปอยู่กับผู้ไม่เกิดไม่ดับอันนี้คือขั้นขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับอ่าอยู่กับผู้ไม่เกิดไม่ดับขอบพระคุณมากครับหลวงตาครับอขอบอีกข้อหนึ่งครับหลวงตาครับขออนอย่างนี้หมายความว่าถ้าเรื่องกรณีนนการทําสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิครับ ที่เป็นประเภทพวกที่อาจจะได้ยานสามเหรครับปุเพนิวาสานุสติยานนั่นเป็นวิชาครับไม่ใช่สมาธิเป็นปัญยายแล้วนั่นแต่ว่าที่ปุนนเพนิวาสารุสติยานอาสาวคะไคยานมันเป็นยนันเป็นความรู้พิเศษเมื่อจิจถอนออกจากสมาธิใหม่ใหม่ จิตนุ่มนวลคู่ควรเจอการใช้งานเราก็ใช้จิตตอนนั้นย้อนหลังไปดูดูที่ไหนก็ดูจิตแท้เดิมของเรานั่นแหละมันบันทึกเหตุการณ์ไว้คือหมายถึงเอาจิตไปดูจิตอีกตัวหนึ่งจิตัวูว่จริงๆแล้วมันบันทึกเหตุการณ์ไว้จิตตอนนั้นมันเป็นละเอียดมากมเห็นหมดมิ่งแล้วลึกแชดขนหลังได้ ยังไม่รู้ว่าจิตคนคนตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนใช่ได้ใช่จิตก็คือเหมือนจิตไปดูจิตเอาจิตไปดูจิตแกจเดิมหรืเราไปเดิมมันบันทึกเอาไว้แล้วแล้วตัวตัวที่มันไปดูนี่มันมันมันมันยังไม่ดับใช่ไหมครับตอนนั้นเอ้าวเราใช้มันได้แล้วจับจิตได้แล้วเราก็ใช้จิตทํางานได้มันเอาเอาเลงมาจากป่าเนี่ยแล้วแล้วมาฝึกหัดนี่มันฟ้อนมันลาได้เราใช้มันไปทําอะไรก็ได้ กิจเมื่อเราฝึกได้แล้วย่อมนำความสุขมาให้พระองค์ว่าใช้มันไปอะไรก็ได้ใช้ไปดูคนนี้คิดว่ายังไง ค, คนนั้นคิดว่ายังไงใช้ไปได้รู้ว่าละไรคิดแค่อันนี้เป็นการเสียเวลาไม่เอาก็ได้แล้วเอาอาสามัคค ย, ยานอย่างเดียวเท่า น, นั้นเองจะเข้าพระนิพพานได้ พวกนี้เป็นวิชาชเฉยๆตัวนี้เป็นวิมุตตหลุดพ้นจากขั้นห้านะขอบคุณมากครับหลงตาครับอ๋อนี้แล้วท่านใดต้องการที่จะร่วมทําบุญกับหลวงตานะครับที่สร้างสี่สังเวชน์ฐ า, านจำลองนะครับมีมี ก็จะให้ไปร่วมทําบุญอยู่ที่เดี๋ยวตรงตาสะดวกตรงนี้ไหมครับตรงไหนก็ได้ได้ครับเราจะมีซองซองสร้างครับจะพึ่งไหมจะพึ่งไหมยั ง, ย ง, ยงไม่ใช่เลยนะยังไม่อนุญาตใจเยดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งอยู่กับที่ก่อนนะครับ เ, เชิญร่วมเป็นโยกภาพผ้พาป่ามหากุศลสร้างอันเนี้ยครับ เคยเห็นไหมเนี่ยเคยไปประเทศอินเดียไหมเนี่ยไปสังเวชนีสี่ตำบลนี่แหละเราจะใช้งบประมาณหนึ่งล้านบาทโอ้พันล้านบาทนี่ว่าหนึ่งล้านบาทเราออกคนเดียวก็ได้ล้วอพันล้านบาทยึงบอกบุญมาให้พวกเราเนี่ยวันที่สิบสองสิบสามพฤษภาคมนี่วัน เกิดของเราครบเจ็ดสิบเก้าปียังทาผ้าป่าเชิญร่วมผ้าป่าถวายเป็นกุศลสร้างสังเวชนีสี่ตำบนซึ่งวันที่สิบมีนานี้เราก็จะให้ลูกศิษย์หมอเครื่องบินไป ถ่ายภาพไปเข้าตรวจขอผ่านเขาหมดไปแล้วทั้งสี่ทั้งเวนี่ไปถ่ายภาพไปทำไปเอาเรื่องมาให้มันเหมือนที่สุดเท่าที่สุดให้ไปหนึ่งเดือนวันที่สิบเมษาให้กลับมาแล้ว เ, เดี๋ยวนี้เราก็สร้างไปวางฐานวางอะไรเรียบร้อยไปแล้วนะส่วนพุทธกายาเนี่ย ขึ้นไปสูงแล้วยังไม่ได้ถึงชั้นที่หนึ่งอันนี้ยังจะบอกบุญได้ไนดนะบอกบุญแก่พวกเราถ้าอยากทำบุญก็เชิญ